บทที่7ถ้อยคำของหลวงพ่อในป่าทำให้ท่านพระครูเกิดธรรมสังเวทอีกวาระหนึ่งท่านรู้ว่าหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต่อไปนอกเหนือจากทำอยู่ก็คือเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ให้ชาวพุทธได้เข้าใจอย่างถูกต้องคือเข้าใจในพระสัทธรรมอันหมายถึงธรรมที่ดี ธรรมที่แท้ธรรมของสัต์บุรุษหมายถึงคนดีมีสมอย่างได้แก่หนึ่งปริยัติสัต ร, ร, รมสัต ร, รมคือสิ่งที่พึงเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์ 2. ปฏิบัติสัต ร, รมสัต ร, รมคือสิ่งที่พึงปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขาและ 3. ปฏิเวศสัต ร, รมสัต ร, รมคือผลที่พึงบรรลุได้แก่มรรคผลและนิพพาน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 ไม่ใช่เพื่อชาวพุทธเท่านั้นแต่เพื่อมนุษยชาติทั้งมวลที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของกันและการอีกด้วยเรารู้ว่าเธอสามารถทำได้ดังที่ตั้งปณิธานไว้หลวงพ่อในป่า ย, ยังคงหลับตาพูดท่านรู้ว่าสิทธิ์กำลังคิดอะไรอยู่ยิ่งกว่านั้นยังพูดให้กำลังใจอีกว่าไม่ต้องห่วงนะ งานชิ้นนี้เธอจะมีผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศเขาเคยเกี่ยวข้องกับเธอมาหลายชาติเป็นลูกสาวครั้งที่เธอเกิดเป็นคนอินเดียเมื่อเธอเป็นแม่ทัพสมัยอยุธยาตอนปลายเขาเป็นทหารคนสนิทแล้วก็เป็นศิษย์ในปัจจุบันชาติสมภารวัดป่ามะม่วงนึกไปถึงนายจันสมซึ่งชาตินี้คือนางสาววันวิไลบุตรีอาจารย์สลิด ผู้บริจากรถตู้ให้วัดป่ามะม่วงเมื่อหลายปีมาแล้วหลวงพ่อท่านคงจะหมายถึงโยมวันวิไลนะครับที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าชื่อนายจันสมเขาตายไปเกิดที่นครสวรรค์พระบัวเหียวเอ่ยขึ้นหน้าบัดนี้ท่านสามารถพูดถึงหญิงสาวด้วยจิตอุเบกขาปราศจากความชอบความชังหลวงพ่อ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 แล้วพูดกับหลวงพ่อในป่าว่าผมดูหน้าเขาแล้วเขาจะต้องจบด็อกเตอร์แล้วก็จะได้เป็นศาสตราจารย์ด้วยแล้วก็จะเป็นด็อกเตอร์ที่ทำให้ชาวต่างประเทศหันมานับถือพระพุทธศาสนากระผมยังอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติขอรับพระบัวเฮียวพูดกับวีรกษัตร์แห่งกรุงธนบุรีในอดีตอยากรู้เรื่องตอนไหนอีกล่ะ เราเล่าไปหลายตอนแล้วมิใจหรือตอนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขอรับกระผมอยากทราบว่าเมื่อพระเถระเจ้าต้องอเผชิญกับภาวะวิกฤตทางด้านการเมืองและการศาสนาท่านจะมีวิธีอย่างไรที่สามารถรักษาพุทธศาสนาไว้ได้พระเถระเจ้าจึงเล่าว่าแม่บ้านเมืองจะละสัมไรษ์อย่างไร เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติคู่ชาติบ้านเมืองของไทยมาโดยตลอดเมื่อขึ้นครองราชเราได้ฟื้นฟูเรื่องพระศาสนาอย่างหนักเพราะถูกกระทาย่ำยีจากพมา่านอกจากจะทำลายท้าวรวัตถุต่างๆแล้วยังเผาพระไตรปิฎกให้วอดวายหมดซึ่งเท่ากับพระธรรมถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง เราต้องลงไปเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อขอยืมพระไตปิดกมาเอามาอย่างไรขอรับและทางนาครศรีธรรมราชยอมให้ยืมหรือขอรับผู้อาวุโสน้อยที่สุดยังคงสงสยัยพระเทวระเจ้าตอบว่าบรรทุกใส่เรือมาทางโน้นเขาก็คงไม่เต็มใจนักกรอกแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเราซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เราสั่งให้ขนพระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชมาธนบุรีแล้วก็นํามาคัดที่วัดบางว่าใหญ่ซึ่งปัจจุบันคือวัดระฆังโคศิตารามคัดอยู่หนึ่งปีเต็มจึงได้นําไปคืนจากนั้นก็ให้เ้าทําสังคยนาพระไตรปิฎ ก, กรวมทั้งคำภี์วิสุทธิมรดุด้วยคัดคัดนี่หมายถึงคัดลอกใช่ไหมขอรับพระบโบเฮียวถามอีก ถูกแล้วเราได้ให้พระสงฆ์ช่วยกันคัดลอกเมื่อคัดลอกเสร็จก็ให้ทำการสังคยนาท่านพระครูเรียนถามว่าพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประวัติบันทึกไว้ถูกต้องตรงความเป็นจริงใช่ไหมขอรับถูกต้องแต่รายละเอียดมีมากกว่านั้นท่านจาได้หรือไม่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 เรื่องที่หนึ่งทรงชำระพระอารัชีหลวงพ่อครับอารัชีถ้าจะแปลให้คนฟังเข้าใจจะต้องแปลว่าอย่างไรครับพระบโบฮยวถามอาจารย์ท่านพระครูจึงตอบว่าอารัชีแปลตรงตัวว่าผู้แก้ยากซึ่งก็คือผู้หน้าด้านนั่นเองในที่นี้แปลให้เป็นภาษาพระว่า ผู้ไม่มีความละอายก็หมายถึงภิกษุผู้มากประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงช่ำระพระอรัชชีซึ่งในเวลานั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นพวกเจ้าพระฝังก็มีทรงประกาศให้บรรดาพระสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือมาดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนผู้ใดทนได้ก็โปรดให้ดารงอยู่ในฐานานุสัก ผู้ใดทนไม่ได้ก็ให้ศึกออกไปแล้วก็ให้สักข้อมือใช้ให้ทำงานหนักผู้ใดกล่าวเท็จวตนบริสุทธิ์แต่พอจะให้ดำน้ำพิสูจน์กลับสารภาพวาตนเป็นประราชิกก็โปรดให้นำตัวไปประหารชีวิตเสียกระผมเล่ามาถึงตอนนี้ขอพระเดชพระคุณพระเถระเจ้ากรุณาเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยเถิขอรับ พระเถระเจ้าจึงเล่ารายละเอียดว่าพิธีดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เริ่มในวันอังคารขึ้น16ค่ำเดือน11ปีขานพุทธศักราชสอ3พเมื่อเสร็จพิธีแล้วพวกที่ดำได้เสมอนาฬิกาคือดำได้ตามเวลาที่กำหนดเราก็ให้อุปสมบทใหม่แต่ที่แพ้มีมาก สบงจีวอนกองพเนนเราก็ให้เผาทิ้งเสียแล้วก็ให้นาผ้าตรายจีวอนพันชุดนิมนต์พระราชาคณะฐานานุกรมจากทนบุรีไปห้าสบรูปอุปสมบทพระสงฆ์เมืองเหนือเซียยใหม่ให้พระโพธิวงศ์ศาสตราอยู่ประจำเมืองพิษณุโลกพระพิมนธรรมอยู่เมืองฝางพระธรรมเจดีอยู่เมืองทุ่งยั้ง พระธรรมอุดมอยู่เมืองพิชัยพระเทพกวีอยู่เมืองสวรรคโลกเพื่อชำระพวกอาลัชชีต่อไปพระยาตาคิดว่าการดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นการยุติธรรมแล้วหรือหลวงพ่อในป่าเลืมตาแล้วจึงถามไม่ยุติธรรมขอรับเพราะพระที่ประชิกแต่สามารถดำได้ตามเวลาที่กำหนดก็มี พระที่บริสุทธิ์แต่ไม่สามารถดำน้ำได้ตามเวลาที่กำหนดก็มีแต่กระผมไม่ทราบว่าจะใช้วิธีใดที่ดีไปกว่านี้ก็ตอนนั้นกระผมยังไม่พบหลวงพ่อแม้หากว่ากระผมไม่ได้บำบวชคงต้องรับกรรมหนักหนาสาหัสเป็นแน่การบวชไม่ได้เป็นสาเหตุเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นตัดความหลงในสงสารได้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 และโปรดให้นำพระไตยปิดกฉบับเมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นแม่แบบส่งให้คัดลอกไว้หลายจบและพระราชทานให้พระสงฆ์ในอารามใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ส่งคืนนครศรีธรรมราชคำพีใดขาดตกบกพร่องส่งให้ไปแสวงหาถึงประเทศขเขมรเช่นคำพีวิสุทธิมรักในทนบุรีไม่มีก็ส่งให้พระเทระสองรูปคือพระเทพกวีไปขเขมร และพระพรหมมณีไปนครสีธรรมราชเพื่อนำคำพีวิสุธทธิมรักมาคัดลอกไว้ตอนเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อปี2310บ้านเมืองและวัดถูกไฟเผาคำพีพระไตรปิฎกปกล่อยสูญหายไปด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวันเกรงว่าเมื่อไม่มีคำพีอันเป็นหลักแล้วพระศาสนาจะอันตรทานไปโดยเร็ว จึงโปรดให้สืบหาต้นฉบับพระไตรปิฎกตามหัวเมืองต่างๆเท่าที่จะหาได้มาคัดลอกไว้เพื่อสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงขึ้นพระเถระเจ้าช่วยเสริมว่าแต่การสร้างพระไตรปิฎกยังไม่ทันสําเร็จก็เกิดเหตุการณ์ที่จำจะต้องผลัดแผ่นดินแต่ว่าสหายของเราก็ได้รับงานนี้ไปสานต่อจนสําเร็จ นอกจากนี้เราก็บำรุงการเหล่าเรียนพระไตรปิดกให้กำลังใจแก่ผู้เรียนดีโดยถวายไตรจีวรบ้างปัดใจยทยธรรมอย่างอื่นบ้างตามสมควรแล้วก็ยังขอร้องให้พระภิกษุสมมาเนรมั่นอยู่ในธรรมวินยัยเราถึงกับปรวรณาไว้ว่าหากมีศีลบริสุทธิ์แล้วแม่เลือดและเนื้อของเรา ก็สามารถถวายได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการเมื่อพระเถระเจ้ากล่าวจบท่านพระครูจึงสาธยายต่อเรื่องที่สามทรงจัดสังฆมณฑลโปรดให้ประชุมพระเถรานุเถระเท่าที่มีอยู่ในราชอาณาจักร โดยประชุมที่วัดบางว่าใหญ่ทรงเลือกพระเถระที่ทรงคุณธรรมแล้วแต่งตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้แก่พระอาจารย์ศรีจากเมืองนครศรีธรรมราชพระอาจารย์ศรีเป็นชาวนาครศรีอยุทยาและทรงคุ้นเคยกันมา ก, ก่อนได้หนีพม่าไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ก็ยังทรงแต่งตั้งพระเถรานุเถระอื่น ให้เป็นพระราชาคณะและให้มีฐานานุกรมตามสมควรนิมนต์ให้อยู่ตามวัดต่างๆสั่งสอนคันธทุระและวิปัสสนาทุระให้แก่พระภิกษุงสงฆ์สา ม, มเณรต่อไปสัธยายมาถึงตอนนี้สมภารวัดป่ามะม่วงเรียนถามพระเถระเจ้าว่าในรชัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามว่าสีและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า พระองค์เดียวกับสมเด็จพระสังฆราชสีในสมัยทนบุรีความจริงเป็นคนละองหรือว่าองค์เดียวกันขอรับเป็นองค์เดียวกันที่ท่านถามอย่างนี้ก็เพราะเข้าใจว่าเป็นคนละองค์กันใช่ไหมยังมีคนเข้าใจผิดอยู่อีกมากนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้พวกเข้าเข้าใจอย่างถูกต้องขอรับกระผมขออนุญาตเล่า ถึงสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่าสมเด็จพระสังฆราชสมัยทนบุรีกับสมัยรัตนโกสินเป็นคนละองค์กันได้หรือไม่ขอรับเล่ามาเถอะเรากำลังฟังอยู่พระเถรเจ้ า, าอนุญาตท่านพระครูจึงเล่า ว, ว่าสมัยรัตนโกสินสมเด็จพระสังฆราชสีถูกปลดจากตำแหน่ง เพราะได้กราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าผู้ที่เข้าเฝ้าโดยไม่ได้ปลดอาวุธมีโทษสถานใดเพราะขณะนั้นเจ้าพระยาสุรสีเข้าเฝ้าโดยมิทันได้ปลดอาวุธด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงกวาดพระหัตถ์เรียกจึงขึ้นจากเรือมาเฝ้าขณะนั้น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 พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถามอีกว่าหากไม่ประหารชีวิตจะต้องถูกลงโทษสถานใดท่านก็ตอบว่าต้องถูกเคี่ยนร้อยทีมีพระราชดำรัสถามอีกว่าถ้าไม่เคี่ยนร้อยทีจะเคี่ยนกี่ทีตอบว่าแปสิบทีและเมื่อมีพระราชดำรัสถามอีกจนที่สุดเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าหกสิบทีจึงทรงเคี่ยน ครั้นเคียนได้ยี่สบทีก็หยุดไม่ทรงเคียนต่อเหตุใดจึงไม่เคียนต่อขอรับท่านถามพระเถระเจ้าเราเคียนไม่ลงอย่างที่บอกแล้วสหายของเราและน้องชายของเขามีบุญคุณต่อเรามากนึกถึงตอนที่เขาบอกว่าพาแม่นกเอี้ยงมาด้วยเมื่อไปสมทบกับเราที่จันทบุรีเราก็เลยเคียนไม่ลง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 กระผมทราบมาว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะทรงสถาปนาพระอาจารย์สีขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นเมืองธนบุรีก็มีสมเด็จสังฆราชอยู่แล้วใช่ไหมขอรับพระเทะเจ้าอธิบายว่าถูกแล้วคือสมเด็จพระสังฆราชดีหรือพระอาจารย์ดีที่คนธนบุรีพากันเลื่อมใสศรัท ธ, ธาต่อมาภายหลังเราทราบว่า ตอนกรุงแตกครั้งที่สองพระอาจารย์ดีเคยบอกที่ซ่อนซั์ผู้อื่นให้แกพมา่าจึงถอดสมเด็จพระสังฆราชดีที่เราเป็นผู้สถาปนาขึ้นออกเสียจากตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสีขึ้นแทนทำไมพระอาจารย์ดีต้องบอกที่ซ่อนซัพ์ของผู้อื่นให้แกพมา่าด้วยล่ะขอรับ พระบัวเหียวไม่เข้าใจพระเถระเจ้าจึงพูดกับท่านพระครูว่าท่านเคยอ่านประชุมพงสวดานภาคหกใช่ไหมช่วยเล่าให้พระบัวเหียวฟังได้หรือไม่ได้ขอรับสมพานวัยใกล้หกสิบรับคำแล้วจึงเล่า ว, ว่า ประชุมพงเสาวัดานภาคที่หได้บันทึกเรื่องราวต่างๆตอนเสียกรุงครั้งที่สองไว้ว่าเมื่อพมา่าเข้าพระนครได้นั้นก็เป็นเวลากลางคืนพมา่าไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผาย่าเรือนของชาวเมืองจนกระทั่งประสาทราชมนเทียนไฟไหม้ลุกลามสว่างสวยัยราวกับเป็นเวลากลางวันครั้นพมา่าเห็นว่าไม่มีผู้ใดต่อสู้แล้ว ก็เที่ยวเก็บรวบรวมทรัพย์จับผู้คนโอลมมนไปทั่วทั้งพระนครแต่เพราะเป็นเวลากลางคืนพวกชาวเมืองจึงหนีรอดไปได้มากพม่าจับได้สักหมื่นคนส่วนพระเจ้าเอกทัศน์นั้นมหาดเล็กพาลงเรือน้อยหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในสุ้มทุมผุ่มไม้ที่บ้านจิกริมวัดสังฆาวาสแต่พม่ายังหารู้ไม่จับไม่ได้ แต่พระเจ้าอุทุมพรสึ่งผนวดกับเจ้านายโดยมากทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระภิกษุสัมมเนนที่นี้ไม่พ้นพม่าจึงจับเอาไปคุมรวมไว้ในค่ายโพสามต้นส่วนคนพลเมืองที่จับได้ก็แจกจ่ายกันไปควบคุมไว้ตามค่ายนายทัพนายกองทั้งปวงแล้วก็พม่าทเที่ยวเก็บยึดทรัพย์สมบัติสิ่งของ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 เท่านั้นก็ยังไม่พอพมา่ายังเอาทรัพย์ของราษฎรซึ่งฟังไว้ตามวัดว่าบ้านเรือนต่อไปอีกเอาราษฎรที่จับได้ไปชำระซักถามแล้วหล่อลวงให้ลวงลลอกกันเองใครเป็นโจทย์บอกทรัพย์ของผู้อื่นให้ได้ก็ยอมปล่อยตัวไปส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่บอกให้โดยดีพมา่าก็เคียนตีและทำธนกรรมต่าง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 ท่านพระครูถามสิทธิ์แล้วกราบเรียนถามพระเถระเจ้าว่ากระผมอ่านตามตัวอักษรที่ปรากฏในที่ประชุมพงศสวดานภาคที่หเลยนะขอรับอ่านด้วยกระสินเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อพระเถระอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆถามอีกฉันลืมไปวัดเธอมาทางวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงไม่เข้าใจเรื่องสมถกรรมฐาน กะสินเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีทั้งหมด40สได้แก่กะสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบอปมัญญาสี่อาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุวัตรฐานหนึ่งและอรูปสกรวมเป็น40สและพูดกับพระเถระเจ้าว่า กระผมเคยเจริญสมตากรรมฐานมาก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อในป่าขอรับและเคยหุงประลอดด้วยเตโชกสินหลวงพ่อครับกรุณาอธิบายกสินสิบให้ผมฟังได้ไหมครับผมอยากทราบว่าหลวงพ่อใช้กสินอ่านพงศวดานได้อย่างไรพระบัวเหียวขอร้องอาจารย์ของท่านอาจารย์จึงต้องอธิบายว่า กสินก็หมายถึงวัตถุอันจูงใจหรือวัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงใจให้เป็นสมาธิมีสิบอย่างได้แก่ปฐวีกสินกสินคือดินกสินที่ใช้ดินเป็นอารมณ์อาโปกสินกสินคือน้าเตโชกสินกสินคือไฟวายโยกสินกสินคือลมนิลกสิน กสินคือสีขาวปีตกรสินกสินคือสีเหลืองโลหิตกรสินกสินคือสีแดงโอทาตกรสินกสินคือสีขาวอโลกกสินกสินคือแสงสว่างและอากากรสินกสินคือที่ว่างเปล่ากสินที่ใช้ที่ว่างเปล่าเป็นอารมณ์ หลวงพ่อขอรับกระผมจะเจริญสมถะกรรมาฐานจะได้หรือไม่ขอรับกระผมต้องการเจริญกสินจะได้ใช้กสินอ่านหนังสือพระโบยเฮียวถามหลวงพ่อในป่ากไม่จําเป็นจุดมุ่งหมายของการเจริญสมถะก็เพื่อใช้เป็นบาตรฐานในการเจริญวิปัสสนาในเมื่อเธอสําเร็จวิปัสสนาแล้วสมถะก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป เราไม่เห็นด้วยกับผู้ที่เจริญสมถะเพราะมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะได้อิทธิปาฏิหารอย่างที่พวกโยคีเขาปฏิบัติกันเพราะนั้นไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อในป่าตอบครั้งที่ยังหลับตา